ปฏิปันนัสูตว่าด้วยผลแห่งการปฏิบัติตามลำดับอินทีี่รยแิกพิษุทั้งหลายอินรีย์าประการนี้อินรีห้าประการอะไรบ้างคือ1สัตทินรีถึง5ปัญญรีอินรีห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลหนึ่ง เป็นพระอระหันเพราะมีอินทรีย์ห้าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 2. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอระหันนั้น 3. เป็นพระอนาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตตผลนั้น 4. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอานาคามิผล เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีนั้นห้าเป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลนั้นหกเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้นหก เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกขาคามิผลเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้น 7. เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกขาคามิผลนั้น 8. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้น